สจิตที่ครอบงามนิมิตคือสังขารภายนอกแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานอันดับสังขารชื่อว่าโคตรัปภูอันหนึ่งโคตรัปภูญานนี้นับเข้าในยานทัศนวิสุทธิเพราะได้รับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนมัรคยานที่จัดว่าเป็นยานทัศนวิสุทธิความเห็นอันหมดจดโดยตรง